ทุชีวิต มีสิทธิ์ในการทำทุกข์ให้สิ้นได้เท่าเท่ากัน<ม>หลวงพ่อชาสุพัทโท <S <S ทุกชีวิตมีสิทธิที่จะแสวงหาสิ่งที่พ้นทุกข์ได้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 เราก็จะไม่รู้จักตัวเราไม่เข้าใจโลกแล้วก็ชีวิตตามที่มันเป็นจริงผมว่าความทุกนี่แหละเป็นวิธีดีสำหรับเราเราเองนี่ไม่ต้องการความทุกไม่อยากเป็นทุกอะไรก็ตามทุกนี่แหละเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์กับเราเพราะว่าบอกอะไรเราได้ตรงไปตรงมาไม่เหมือนความสุขนะ ความสุขเนี่ยบางทีทำให้เราหลงเพลิดเพลินไปลืมเนื้อลืมตัวไปกับความสุขแล้วผลออกมาเนี่ยความสุขอาจจะตลบหลังเราก็ได้ทำให้เราเป็นทุกข์โดยที่ไม่มีโอกาสได้ตั้งตัวเลยเริ่มต้นเนี่ยทำให้เราหลงแะแต่ความทุกข์เนี่เพอเริ่มต้นเราไม่อยากได้ละเริ่มเห็นทุกข์เห็นโทษของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในตัวเราพยายามจะถอยหา่าง ทุกตอนแรกต่อไปมันก็จะคลายไปเองนี่ต้องขอบคุณคราดนะ้าสถานการณ์ต่างๆบางทีผมคิดว่าความทุกข์นี่มาเตือนเราเข้ามาบอกเราว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตมาเตือนแล้วว่าเราต้องรีบแก้ปัญหารีบปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้หาที่พึ่งทางด้านจิตใจทุกทำให้เกิดศรัทธาที่จะมา สนใจศาสนาหันเหชีวิตก็มาสนใจธรรมะเพื่อการแก้ปัญหาชีวิตอันนี้แหละคือส่วนหนึ่งของประโยชน์ของความทุกข์แต่ว่าการเข้ามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเราอาจจะฟังอาจจะถามคำถามมากมายแล้วก็ใช้ความคิดเข้ามาร่วมด้วยไอ้สิ่งนี้ก็ดีนะช่วยเราได้ในแง่การเป็นแนวทาง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 อันนี้ก็เป็นประโยชน์ควรจะทำแต่ว่าสิ่งเราเนี้ยยังดับทุกข์เราได้ไม่ตลอดนะดับทุกข์ได้ชั่วคราวเปรียบเสมือนเป็นยาทาทำได้ชั่วคราวยังไม่ตัดรากถอนโคนของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันที่จริงแล้วเนี่ยการให้ทานการรักษาศีลการทาสมาธิทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาอันนี้เขามีมาก่อนพุทธศาสนาดนะ้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 ก็ เ, เกิดมรรคผลนิพพานตามลําดับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เริ่มต้นจากการฝึกทีรื่สตินั่นเองจึงระดับทุกได้สิ้นเชิงแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติอุปสรรคทังด้านร่างกายก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยแข่เจ็บเบียดเบียนความไม่ปกติของร่างกายเนี่ยเรียกว่าทุกขเวทนาเนี่ย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 ทำอะไรก็ต้องมีแต่ความขี้เกียจขี่คลานไม่อยากทํำถึงนั้นถึงนี้อันนี้เป็นเพื่อนที่แสนดีนะไม่ถึงว่าเขาอยู่กับตัวเราตลอดแต่ว่าถ้าเรารู้จักตัวนี้แล้วก็เราจะไม่ยึดติดเขาไม่ทําตามเขาก็ได้แต่ทําความรู้จักกับเขาอันนี้คือปัญหาด้านจิตใจแต่อุปสรรคใหญ่ที่สุดของนักปฏิบัตินั้นก็คือความท้อแท้หมดกําลังใจพอเริ่มปฏิบัติไปนี่เอาละเจอความทุกข์ทางร่างกาย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 ท้อแท้หมดกาลังใจในความคิดในความง่วงจิตไม่สงบเลยไม่อยากปฏิบัติต่อละการปฏิบัติก็เลยไม่ก้าวหน้าจึงคิดว่าอุปสรรคใหญ่ของนักปฏิบัติคือความท้อแท้หมดกําลังใจแล้วก็พาได้ขี้เกียจขี้เกียจปฏิบัติทำขี้เกียจทํางานขี้เกียจทําทุกอย่างระวังให้ดีนะจะขี้เกียจหายใจเริ่มต้นจากความขี้เกียจที่จริงเราไม่อยากขี้เกียจแต่กี่เลยเขาขี้เกียจแต่เราขาดสติ ไปเชื่อความขีดเกยียดแล้วก็ทําตามความขีดเกลียดคนที่ขีดเกยียดเนี่ยชีวิตจะไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะไม่ขยันถ้าขีดเกยียจแล้วต้องไม่ขยันมันเป็นธรรมที่ตรงข้ามกันเมื่อขีดเกยียดมันก็ขาดสติก็ทําตามกิเลสเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นปลาที่ลอยตามน้ำไปไม่ได้ประโยชน์ไม่ยอมทวนน้ําแม้ว่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยนักปฏิบัติสามารถฝ่าฟันได้โดยการ